ามาถึงช่วงนี้ครับใครที่เป็นแฟนคลับของคุณคิงครับเราจะมาปิดท้ายกับเดอะโกสเรียของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณคิงคุณคิงมาพร้อมกับประสบการณ์ของพระอาจารย์ของคุณคิงครับท่านได้เล่าให้คุณคิงฟังตั้งแต่ตอนที่บวชอยู่พรรษาแรกที่จังหวัดนครราชสีมาครับใช้ชื่อเรื่องว่าติดอาบัต แล้วตอนนี้คุณคิงอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องสุดท้ายในค่ําคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณคิงสวัสดีครับวจอ่านะฮะเราสวัสดีปีใหม่กันไหมยังคุณคิงสวัสดีปไรรปแล้วไปแล้วไปแล้วใช่มเขาก็แบโอ้ยลืมช่วงนี้แบบเบย์ยังไงก็ไม่รู้ผมนะฮะหายย่างหาเรียองแล้วทียย่เนาะเขาดูเอาทีบ่อยมีงานเข้าเยอะแล้ววิจัย ขอให้มีเยอะๆเลยครพี่ขอให้รวยๆเลยสาธุเราจะไปด้วยกันคน้าให้คุณคิงโทรเด็กที่ไหนในตอนนี้ขั้นแฟนครับที่เดิมที่จังหวัดสะแก้วครับอ๋ออยู่ที่สะแก้วเนาะสะสะแก้วอากาศเป็นยังไงบ้างคุณคิงอากาศเป็นยังไงมันมันก็ร้อนๆนะพี่แต่ว่าผมผมจะหนาวหน่อยเพราะผมไม่สบายเออหรอโอ้ยรักษาสุขภาพด้วยนะคุณคิงน้าครับนะฮะสะแก้วนี่ผมก็ไปบ่อย นะครับส่วนมากก็จะไปอ่าปลอยเปดคือไม่ได้ไปเล่นไม่ได้อะไรนะพอดีไปหาลูกค้าลูกค้าอยู่นู่นโอ้โอนะครไปถึงูลูกค้าเขาอดูแลดีผมชอบไปนะเหมือนไปเที่ยวไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับมาว่าเราถึงเรื่องนี้ครับคุณคิงที่บอกว่าเป็นเรื่องที่ท่าอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังครับเรื่องของการติดอาบัตใช่ครับนะฮะหลายคนคงจะทราบว่าเรื่องของอาบัตนี่ก็คือการทําผิด นะฮะทำผิดเขาเรียกว่าเป็นผิดกฎของพระสงฆ์ถึงจะเป็นเ<ช>รื่องของการอาบัตินะฮะอาว่าเรืองถึงเรื่องนี้ครับเรื่องของติดอาบัติที่พระอาจารย์ถ้าเล่าให้ฟังเรื่องราวเป็นยังไงคุณคิงเชิญเลยครับครับผมทีก็จะต้องบอกก่านว่าเรื่องเนี้ยผมเล่าไปเนี่ยแล้วผมตั้งใจที่สําหรับคนหลายๆคนที่เขาจะบวชจะได้รู้แล้วก็ฟังอเอาไว้ด้วยว่า บ, บางทีเราไปเจอพระเก่า ห, น ห, น ห, ห่อๆนิดนึงแล้วเนี่ไปเจอพระเก่าบางครั้งเนี่ย เราก็ร่วมมีคนหลายประเภทที่เข้าไปบวชทีนี้บางรูปเนี่ยตัวผมเองก็เคยเจอจะชอบพูดคําว่าอวยอาบัตเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกอันนี้ยลองฟังเรื่องนี้ดูนะครับคือว่าจะมีอาบัตเล็กน้อยอาบัตปฏิเสธไร่ไปเรื่อยจะถึงสังขารนเศษแล้วก็ปาราชิตสองอย่างนี้ยจะเป็นตัวที่หนักล่ะคือปาราชิตก็คือขาดเลยปาราชิตก็คือไงก็ต้องศึกถูกไหมครับเพราะว่าขาดจากความเป็นพระแล้วทีนี้ว่า อาจารย์เราให้ฟังตอนนั้นผมอยู่กันที่โคราชแต่ว่าไม่ได้แต่วัดต้นสังกัดท่านท่านก็นึเล่าเล่าให้ฟังว่าพูดถึงวัดต้นสังกัดเนี่ยก็เคยมีเรื่องเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังเหมือนจะกระกระเทือนใจผมด้วยออืเพราะว่าตอนนั้นจะมีเรื่องของทางบ้านเรื่องของผู้หญิงเข้ามาท่านก็คอยจะเตือนเราตลอดท่านก็เลังว่าวัดต้นสังกัดท่านอ่ะจะมีวัดแม่กับวัดลูกคือวัดแม่เนี่ยจะอยู่ด้านนอกที่ติดถนนใหญ่และเป็นวัด วัดแบบเหมือนเป็นวัดใหญ่อะทําอําเภอตรงนั้นส่วนท่านแหละเป็นวัดลูกวัดลูกคือวัดที่คล้ายๆว่าจะมีงานอะไรเนี่ยเขาจะไปดึงมกระจนุนมาหรือว่ามีของอะไรเขาก็จะแบ่งปันไปตรงนั้นให้เป็นวัดเพราะว่าเพื่อนค่างเป็นวัดได้ประมาณสิบกว่าปียังไม่มีโบสถ์ไม่มีอะไรใครจะบวชก็จะมาบวชวัดข้างหน้าแล้วก็อยู่วัดข้างในแทนอืมหรือว่าถ้าคนที่ที่เขาบวชไม่นานแค่พรรษาเดียวแบบว่ามีําหนดหรือว่าสิห้าวันเนี่ยก็จะอยู่วัดข้างนอกเพราะว่าข้างนอนี่คือเอาไว้รับรองสําหรับ คน น, น, น, น, นนี้ชั่วคราวชั่วอืาแล้วตันท่านเองเมืพอบวชเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาถามว่าจะอยู่นานไหมเพราะว่าตอนท่านเป็นเลนท่านก็อยู่ที่วัดนี้พ อ, อบอกว่าเป็นพระเนี่ ย, ขยนนะเขคิดว่าอยู่ไปเรื่อยๆท่านเลยบอกว่านั้นอยวเข้าไปอยู่วัดข้างในนะท่านก็บอกว่ายังไงก็ได้ครับก็เลยส่งให้เข้าไปอยู่วัดข้างในตั้งแต่อ่าออคัญสาแรก่ะได้อคัญสาแรกบวชจากนเลนเป็นพระแล้วพระเนี่ยพนไปหนึ่งอคัญสาแล้วพอเข้าไปอยู่ในวัดเนี้ยกุฏิที่ท่านได้เป็นกุฏิไม้และหลังคาเป็นสังกะสี คือในสมัยก่อนอะไรพี่แจ๊คไม้และาหลังคาเป็นสังกสีและนะ้วลักนณะการการทํากุฏิในสมัยนั้นน่ะเขาจะให้พระอยู่ห่างกันไม่ให้จับกลุ่มไม่ให้สนทน า, าไม่อะไรทั้งนั้นนอกจากเจอกันเป็นครัง้งคราวเพจะได้ปฏิบัติได้เป็นที่ครับครานี้ในการที่ท่านเข้าไปท่างก็ไปอยู่ไปอยู่เป็นเดียนเดียนเลยนะก็ไม่มีอะไระเกิดขึ้นเลยนะั้ะแต่ว่าท่านจะมีสหายทำคือเพื่อนที่อยู่ในวัดนั้นแนหะ อยู่รูปหนึ่งที่คุยจะรู้เรื่อง<ะ>ส่วนรูปอื่นเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับว่ายัางคงมีทิฏฐิอยู่เหตุผลว่าท่านพูดน้อยจะชอบแซวว่าปฏิบัติเนี่ยเคร่งัดนักเหนแต่<ะ>เคร่งไปไหนเราบรรลุวันนี้เลยไหมอะไรประมาณเนี้ท่านจะไม่สนใจเพราะว่าท่านตั้งใจจะปฏิบัติจริงๆ<ะ>แล้วก็จะมีอีกรูปหนึ่งคือเขาคุยกันได้สนทนาทางไรกเพราะปฏิบัติเหมือนกันจากที่เริ่มคุยบ้างไม่คุยบ้างจนใจเป็นเรื่องแบบเป็นเหมือนทหายทํากันแหละไปมาหาสู่กันระหว่างสองปุติเนี่ยแล้วเวลานั่งฉันข้าวเนี่ย พรนษาเขาช่มากกว่าอาจารย์ผมบรรษาหนึ่งเขาก็จะนั่งห่างประมาณคนหนึ่งก็ได้มีการส่งของให้ยันเย็นไปนั้มาณเรียกง่ายว่าประดับชาบ้านคือสนิทเลยสนิทแล้วก่อนที่จะนั่งขันข้าววันทุกวันเนี่ยอาจะรยันข้าวเนี่ยเขาจะนั่งสนทนากันอยู่ทุกวันแลกเปลี่ยนคําคุยเรื่องจิตปะทะคือช่วงประมาณสิบโมงกว่ากว่าเกือบสิบเอ็ดโมงเพราะอาจารย์ผมไนิสัยธรรมยุทธและท่านขันสิเอ็ดโมงมือเดียวอืยก็รอละคังดังอยู่ดีวันหนึ่งพระรูนี้ตรถามมาว่า ท่านท่านเชื่อเรื่องอบัตไหมครัอาจารย์ผมก็งงนะคือเขาไม่เคยพูดคํานี้มาก่อนคือไม่เคยสงสัยในพิธามอ่ะอาจารย์ก็เลยบอกเชื่อสิครับมาบวชเนี่ยผมก็ต้องเชื่ออยู่แล้วเพราะว่าทุกที่มีกฎเหมืนอนกันโรงเรียนมีครูใหญ่ออกกฎไว้ยังไงแล้วเรียนต้องปฏิบัติตามในใสายวัดของเราสายพากของเราก็คนมาบวชก็ต้องปฏิบัติตามคําสอนมาพุทมแต่สงสัยในเรืนอบัตเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันไหมค้ับาพรูปนั้นกลับไม่จบ คือว่าแต่ผมเองเนี่ยอยากรู้ว่าคนที่ติดอาบัดเนี่ยแล้วติดจนตายเนี่ยออืจะมีทางหลุดพ้นไหมครับอาจารย์ครับทำไมต้องสงสัยนะท่า น, นผมสงสัยเพราะมีสาเหตุผมถามท่านสองส า, ามคำถามก่อนแล้วผมจะบอกเพราะอะไรท่านตอบผมก่อนแต่ว่าท่านเชื่ออาบัตไหมอืออาจารย์บอกเชื่องั้นผมถ้าเกิดผมบอกอะไรไปท่านจะเก็บเป็นความรับได้ไหมอาจารย์ผมคิด ใ, ใจเลยว่า เริ่มไม่อยากฟังอ่ะพอถ้าเกิดว่าเขามาบอกปุกเนี่ยอาจารย์ผมสมมุติถ้าเขาเป็นาาระบาดลายแรงอย่างเช่นสังกัดที่เทนหรือประชิจอาจารย์ผมต้องช่วตปิดบังเนี่ยท่านก็ไม่สบายใจครับท่านเลยบอกขอไม่ทราบดีกว่าปุ๊กนั้นก็บอกต้องรู้ท่าหน่อยต้องรู้ท่นหน่อยเพราะว่าสองสาวันมันให้ผมเริ่มรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะอาจารย์ก็คือท่านยุ่งคิดในใจเลยว่าสงสัยว่าทำไมร้ายแรงแน่นอนเลยอืแไปไหนๆจะได้ไหนลนะ ถ้าเกิดว่าเขาพูดมาแล้วเป็นอารมณ์อักขีแรงมากะอาจารย์จะเตือนว่าให้ไปประกาศประสค์เพ่อเป็นการป้องรับบัตมถ้าได้บอกครังนันท่านก็พูดมาอา้าร่าเห็นว่าผมเป็นคนที่ไวใจได้แล้วถ้าพูดอะไรเราจะฟังซึ่งการละกันก็ลองพูดดูอืท่านก็บอกว่าเคยมีพระรูปหนึ่งพอขึ้นคำนี้อาจารย์ผมสบายใจว่าไม่เป็นท่านแน่นอนอเคยมีพระรูปหนึ่งที่ผมรู้จักอายุมากแล้วนะท่านติดอาบัติสังฆาพิเศษและมาบอกให้ผมฟังไว้คนเดียว จนท่านละสังขารเลยอืออาจารย์ก็บอกเอ้าแล้วไม่ทันที่แก้อาบัตเลยเหรสังขารที่เสดบอกยังไม่ทันได้แก้เลยครับก็ต้องไปปัน่นว่ากรรมสังขารที่เสดแก้ได้อย่างนั้นปวงอาบัตไม่ตกเลยครับสังขารที่เสดก็คือเป็นอาบัตรองมาจะกประชิดแรงมากอืออาจารย์ก็บอกไม่รู้จะทํายังไงอย่างนั้นนะ่ะดังนั้นผมจะเล่าเรื่องเขาให้ฟังเพื่อเป็นการยระกาศต่อหน้าสง ถือเพราะว่าเอากระสุนให้เขาเหมือนเขาได้ประกาศอาวัตของตัวเองแล้วกันแต่จะมีเพียงท่านกับผมเท่านั้นที่รู้นะ่ะครับอาจารย์ก็บอกได้หลวงตาองเนี้ยท่านแหละมี อ, อาบัตสำคัญพิเศษคืออันนี้อันนี้ไม่ได้ทเรื่องเลยนะครับเป็นเป็นเก็บความรู้เลยคือท่านทำพระอาจารย์นะ่ะคืออาตุติเครื่อนท่านก็มาบอกคือม่สบายใจเก็บ ค, ความทุกไว้แล้วก็มาบอกกับตัวพระอาจารย์รุ่เนี้ยที่เป็นสหารทำกับพระอาจารย์ผม ท่านก็ผิดที่ช่วยติดอบัตแล้วไม่ได้เปลี่ยนหลวตาให้เั็นปอาบั<ะ>ตเป็นตั้งตายท่านละถังขันเลยออืแล้วผมก็จะได้ยินเสียงเหมือนแบบคนสวดตรงอบัต อ, อยู่ในกุฏิเขาตลอดเวลาอแต่อาจารย์ผมไม่ไถามะนะว่ากุฏิอยู่ไหนคอาจารย์ผมก็บอกอจะถือซะว่ารตรงนี้เป็นกุศลให้เขาไปก็แล้วกันเนาะจะบอกได้พอถึงเวลาฉันาาก็ขึ้นไปนั่งฉันกันเวนลาอาจารย์ผมกลับมาเข<ะ>าอยู่ในกุฏิ ท่านได้ยินสงคนแหละเดินสวดอะไรนู้นกลุ้มพำลอบลอบุตริท่ามท่านก็พยายามจับเสียงว่าให้มาทําอะไรอก็เปิดประตูมาดูไม่มีอะไรไม่เหมือนเป็นอย่างนทั้งคืนเพราะว่าท่านจะปฏิบัติแล้วนอนน้อยมากนะฮะก็จะลุกออกมาดูเร่องมตลอดจนเช้าอีกวันหนึ่งประมาณช่วงประมาณสายสายแปดเก้าโมงฮะท่านเห็นมีพระรูปหนึ่งเดินถือกดถืออะไรนะขายเออถือถือเป็นนะครับเป็นๆยาวๆที่หอนะ เดินขายเข้าไปทางกุฏิจเจ้าวาดท่านก็มองสงสัยจะมางานปริวาสต้องงานปริวาสเนี่ยเลยคุณชิงครับคุณสัญญามันขาดไปฮะขาดไปตนี้นะครับอะฮะขาดไปตรงคําว่า ง, งานปริวาสครับผ ม, อ, มอ่าคือว่าท่านบอกว่าเห็นพระเนี่ย เดินเข้ามาในกุติเจ้าวัดหายเข้าไปในกุติเจ้าวาดแต่ก็ไม่รู้ไปคุยอะไรกันอืคาแล้วท่านก็คิดว่าสงไส่คงจะมางานปริวาสเพว่าอีกอาทิตย์หนึ่งจะมีจัดงานปริวาสที่วัดอืมท่านก็เลยไม่สนใจอะไรอีกวันหนึงต่อมาก็มาสังเกตดูว่าอ๋อถัดจากกุติท่านไปประมาณร้อยเมตรับมีต้นไม้ใหญ่อยู่แล้วมีเต็นท์เนี่ยของพาะรูปเนี้ยดางอยู่อืแต่ท่านแปลกใจว่า งานปริวาสเนี่ยเขาจะรอจับพร้อมๆกันแล้วมีอาจารย์คุมกรรมครบแล้วค่อยให้มีการบอกขอพาพันทำมาทุกๆอย่างเหมือนอย่างที่งานอับประรันปริวาสเขมีหมดแต่ทําไมเจ้าว่าถึงนใจดีทําให้รูปเดียวก่อนทั้งนั้นนี่งานยังไม่ถึงออืแต่ท่านก็คิดว่าองคงจะเป็นกาจารย์รู้พ่อพันของสงฆ์แล้วคงจะไม่ชุลละเลยตรงตนี้ทําซะก่อนลงไปท่านคงจะเตื่แล้วมัง้งเลยมาขอเป็นส่วนตัวครับก็เห็นอยู่อย่างนั้นเพราะว่าการเข้าปริวาสเป็การถอยดยศกันออื การเข้าปฏิวัติคือไม่ว่าคุณจะมีพรรษามาเท่าไหร่คุณจะเหมือนคนที่ไม่มีพรรษาเลยครับจะเป็นพระผู้ใหญ่แค่ไหนต้องไปอยู่ท้ายหมดแล้วมาร่วมสั่งคำทำอะไรกับใคเรเขาไม่ได้ออืจะ ต, ต้องอยู่ข้างนอกอย่างเดียวคแล้วต้องมีการบอกคําทุกทุกคืนพาลูกนี้ยจะเดินมาหาอาจารย์ผมที่กุฏิแล้วบอกว่าอ่าผมผมขอบอกจำเลยครับออืผมขอบอกจำเลยครับอาจารย์ก็ได้ครับได้ได้ท่านก็จะล่างเสร็จปุ๊บแล้วก็ พระรุ่นันก็จะบอกคำบอกคำคำค ำ, ำของงานบริวาส น, นะครับเป็นการบอกคำวัดขอคำประวัติแล้วอาจารย์ก็ต้องคอยรับภาษาทุสาษาทุภาษทุประมาณสองสาครั้งครับนี้เป็นอย่างนี้ประมาณสอส ม, อมวันแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งอาจารย์ผมเได้ออกมาทําวัดตอนที่สามทีสามครึ่งก็ทาวัดกันที่เนี้ยแล้วตีสาอาจารย์จะออกมาเดินเล่นเล่นเหนือแถวตลาดวันนั้นเห็นพระรูปเนี้ยกําลังขึ้นไปจุดเทียนข้างหน้าพระประธานอาจารย์ก็บอกท่าน ท่านกำลังอยู่ในช่วงของการเข้าปริวัติตะจำไม่ถามว่าเข้าไปในเขตสงได้นะ <c oughs> เขตสังฆกรรมนี้ท่านห้ามยุ่งเด็ดขาดอ <c oughs> ือา่ารย์ก็บอกผมผมแค่มาขอปงปงอาบัติครับคือพูดติดติตขัดๆอ่ะอืออาจารย์ก็บอกไม่ได้ผมผมมาปองอาบัติเฉยๆครับอาจารย์ก็ขี่เกียจเถียงไอือท่านก็เดินเข้าไปทางฝั่งห้องน้ําซึ่งอยู่ทางซ้ายมือออืไม่กลับไปทางเดิมท่านบอกว่าถ้ากลับไปทางเดิมเนี่ยแล้วเจ้าวาดเดินมาเห็น่ย พระรูปเนี้ยจะถามว่าท่านอาไปฟ้องเจ้า อ, อวาวาสท่านไม่อยากยุ่งเลยท่านก็เดินเข้าไปอยู่ในห้องน้ําเลยเป็นั่งรอเวลาจนลระทั่งดังก็พัดว่าครั้งดังท่านจะออกมามาถึงปุ๊บเช้าว่าถามท่านมาจุดเทียนด้วยเหรอแล้วทำไมไม่ดูเทียนด้วยหน้าพระเนี่ยครับอันตรายนะอาจารย์ผมบอกออเมื่อกี้มีพระรูปหนึงที่มาเข้าปริวาสนะครับปิดเซนไว้เจ้าอาวาสบอกปริวางไงสไหนอปริวาสของหลวงรัชกาลใครจะมา เก่งดังเลยนะอาจารย์บอกเอ่าขอญาตครับอาจารย์คือมีมีพระรูปหนึ่งเดินเข้ามาตั้งแต่ประมาณสองสามวันก่อนเข้าไปทางกุติอาจารย์แล้วผมก็เห็นจะกลางกลางเต็นท์นี้ตรงนั้นากุติผมอ่ะตอนนี้ผมขนลุกเลยนะฟังอาการผมขนตอนนี้ผมก็ยังคนลุกเลยแล้วอาจารย์อาจารย์ช่างวาดเบอกเฮ้ยมันไม่มีหรอกแต่จะเล่าอะไรให้ฟังข้าท่านเชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณเพราะท่านเจอดีแล้วออื เพาะว่าที่นี่มีพาวรุ่มหนึ่งปิดอาบัตและละสังขารไปอ่าอาจารย์ผมก็บอกมันไม่ใช่อยู่คืนคนุณคืออาจารย์ผมเนี่ยท่านเห็นมาเรื่องเนยๆมาตั้งแต่สมัยท่านเป็นเนรท่านก็บอกมันไม่ใช่ครับเขาพูดจาเราผมจากสานที่ผมเคยเห็นสมัยเป็นเนรมาเนี่ยจะเป็นแบบมายกปืนไหว้บ้าง้ า, งางขอบ้างคือตอนนั้นท่านเป็นเณรไงเขาอาจจะยังไม่ไม่ประกฏตัวแสดงตัวอะไรมากแต่ท่านเห็นมาเรื่อยๆแต่อันเนี้ยคุดคุยกับผมเลยอาจารย์ออื ท่านบอกไม่มีแต่พระที่เป็นคาหายทาำอาจารย์ผมว่าน่าซิดเลยนะน่าซิดเลยแท่านบอกเดี๋ยวใจใจเดี๋ยวคุยกันนะท่านเนอะออาจารย์ผมก็บอกได้ได้ได้ได้ท่านไม่ติดใจอะไรเพราะท่านจะทําวัดแล้วก็ทําวัดอะไรผ่านไปจนถึงประมาณสิบโมงกว่าก็จะออกมาเจอกันระหว่างระหว่างสองรูปเนี้ยนั่งคุยกันสนทนาทํามกันพระดุษมีก็เล่าให้ฟังว่าท่านท่านฟังผมดีๆนะกุติ ของคนที่ผมบอกว่าละสังขารนะ่ะ ค, <c oughs> คือกุฏิที่ท่านอยู่ออืท่านกลัวไหมห <c oughs> ครับอาจารย์กำลังนิ่งๆแล้อาจารย์บอกว่าผมคงไม่กลัวหรอกเพราะว่าอยู่มาก็เคยได้ยินเต็มที่ย่าแค่คนมาเดินตรวจอยู่ข้างนอกท า, า, า, าเรื่องก็เลยบอกว่าไม่กลัวก็ดีแล้วงั้นผมก็จะเล่าต่อนะออืเพราะว่าถ้าเกิดผมเล่าแล้วท่านกลัวเนี่ยผมเป็นอาบัตนะทำให้ที่สุขวิีและปฏิบัติไม่ได้นะอืออาจารย์บอกผมไม่กลัวครับเชิญท่านเล่าได้เลยตามสบาย เขาก็เลยท่านพาพระรูปเนี้ยผมไม่รู้ตอนนี้ท่านบวชอยู่หรือเปล่านะท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่พระรูปนั้นก็บอกอาบัติและท่านละสังขามไปอ่ะอื ม, มันก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยนะนอกจากจะได้ยินเสียวคนสวดมนต์ในกุฏิอย่างเงี้ยแต่เป็นคําขอกรุงอาบัติซึ่งซึ่งคําขอของการปฏิวัติกรรมเนี้ยมันจะต่างกับการขอขออาบัติขอกรงอาบัติที่วัดทั่วไปออืแต่พระที่อธิษฐานกรุงอาบัติข้างในกุฏินั่นแหะ ขอแค่คำทั่วไปเพราะว่าท่านไม่กล้า่าจะเข้าปฏิวัตได้ครับท่านก็จะพูดว่าอาหารปันใจสำมะุลานานาวัตถุกายาโยเงี้ยไปเรืเ่อยๆท่านฟังอย่างเงี้ยทุกวันอืจนท่านต้องขอย้ายกุฏิไปอยู่ที่อื่นครับแต่ด้วยความที่ว่าท่านเองก็เป็นคนที่ไม่กลัวอืวันหนึ่งรู้ว่าอาจารผมจะย้ายมาอยู่ที่เนี่ยอีกวันหนึ่งตอนกลางคื น, นท่านเดินไปเย็ยนที่กุฏินั้นท่านบอกเยังได้ยินเสียงสวดอยู่เลยนะอ๋อสำมะุลาลลาวัตถุกยาโยปฏิบัตจโย่มาดูเสียง่างเงี้ยใชอ๋อ อาจารย์ท่านนั้นก็เลยยืนมองแล้วก็ตะโกนออกมาว่าท่านผมเอาเป็นไม้เดี๋ยวผมจะรื้แต่เพราะที่ต้นมไม้ใหญ่ท่านสมควรจะออกจากกุฏินั้นเพราะวันพรุ่งนี้จะมีพิจุจากวัดหน้าเข้ามาอยู่วัดเราอืมขอท่านเลือกโปรดรับคำด้วยครับเสียงสวดมนต์เงียบไปแล้วเป็นเสียงร้องไห้คือเธออึดอนอท่านจะคิดในใจ ว, ว่าสงสัยคงคุยกันมาดูเรื่องพอหันหลังกลับมาทุกเจอพระรูปนั้นยืนอยู่จีวรแบบสกปรกมากอะ่ะอืม ยในคามเมตยินตรงหน้าท่านแล้วแล้วพนมมืตรงหน้าแล้วผมผมขอปงอาภัตนะครับผมผมขอบอกคําอาภัตนะครับผมผมขอบอกคําอาภัตนะครับอย่างเงี้ยก็ว่าท่านบอกเสกชโยวัตรตอนนั้นใช้ไม่ได้จําเป็นต้องวิ่งอย่างเดียวคือไม่สามารถจะสํารวมได้แล้วตกใจมากวิ่กับอุฏิพอวิ่งกับกุฏิเสร็จปุ๊เข้าไปถึงก็ไปนั่งมีเสียงคนเดินวนรอบกุฏิท่านแล้วผมผมขอบอกกคำเลยครับผมผมขอบอกคำเลยครับผมผมขอบอกคำเลยครับเดินวนรอบกุฏิแล้วพูดนี่าตลอด กูตลอดจนท่านบอกว่าทำไมต้องทําอย่างนี้ผมก็เอาเต็นท์ไปให้แล้วไงคท่านควรจะถลาคุติแล้วให้กับพายอยู่ท่านจะไปคลองอยู่ไม่ได้ออืผมผมขอบกําเลยครับผมผมขอบจนระคังดังพี่แจ๊ดีข่ามครึ่งพาลูปนั้นไม่นอนเลยก็ออกมาถึงปุ๊บก็พยายามเก็บเรื่องนี้ให้เงียบเพราะว่ารู้ว่าอาจารย์ผมเนี่ยจะต้องมาพักที่นั่นแต่ตอนแรกยังไม่รู้เป็นอาจารย์จริงอีกวันหนึ่งท่านไป ไปไปดูตรงต้นไม้ใหญ่ท่านเอาเต็นท์แฝนไว้เต็นท์หายไปท่านก็คิดว่าน่าจะเป็นเด็กวัดหรือว่าคนงานที่เข้ามาก่อสร้างอะไรในวัดเนี่ย อ, อาจจะเห็นว่าเป็นของแฝงทิ่งไว้ก็เลยเอาไปใช้ครับแต่ปรากฏ ว, ว่าอาจารย์ผมเล่าฟังว่าเต็นท์สีฟ้าซิปข้างหน้าเป็นสีเหลืองพาร์ตเวนบวกใช้อันนั้นแหละของผมสงสัยเขาคงรับไปแล้วเขาก็ไปไปทัพอยู่ตรงนั้นนะเข้าไปวัฒกรรมอมออาจารย์ก็เลยว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเขาอยู่ข้างนอกแล้ว ผมก็คงจะไม่ต้องกลัวอะไรมากมายอาจารย์ผมนะท่านแข็งมากเลยนะท่านที่ภาษาแรกวันนั้นผ่านไปทั้งวันจนท่านจับเข้าไปนอนท่านจะนอนเที่ยงคืนตื่นทีสามวันนั้นแเรากอเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยนาฬิกาที่ท่านตั้งไว้ดังเป็นเวลาเพราะท่านยังเป็นพระใหม่อยู่ไงก็ยังต้องใช้อสายเครื่องช่วยพวกเนี้ยแต่ว่ามันเป็นนาฬิกาปลุกรุ่นเก่าของพี่แจ๊คเคย่างไหมที่เรียรียมที่กดข้างบนเคยเคยสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ครับผมแล้วก็ไฟในกุติไม่มีใช้เทียน เทียนที่มันเป็นเหมือนเทียนสัาเล็กแท่งขนาดสามนิ้วอะขนาดสามนิ้วเราท่านบอกท่านจุดเอาไว้ทั้งคืนทุกวันแล้วมจะมีกระป๋องมรองข้างล่างแล้วข้างบนจะเป็นแก้วเหมือนที่ครอบตะเกียงอะคือไม่ต้องกลัวไฟไหมจริงไว้ทั้งคืนแล้ววันนั้นพอท่านล้มตัวลงนอนเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็ยินเชงบอกอ่าสมุรนนว่าุกาโยบายจึโยบายงอางนเ้อยนี่าอ่าอาอาอ่าอ่าอ่านาอาอ่าอ่าอ่อ่าอาอ่่า ปงอาบัตอันนี้เป็นการปงอาบัตธรรมดาออืไม่ขาดหรอกนะท่านครับสมควรจะเริ่มปฏิบัติบุญน้อมกุศลแล้วไปเกิดใหม่เพื่อมาเข้าปณิวัตใช่ไหมเมื่อไงเงี้ก็ติจะเริ่มพูดขึ้นต่างบดีสมุทรลอนลาวทุกขยโยปทิศยายดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นเจรจาขุ่มตะแคงหันกลับมามองเขานั่งพนมมือยองๆนั่งอยู่ข้างหน้าเตียนและข้างหน้าการผมก็ได้เห็นจะกรวาลมืดของเขาเพราะว่าข้างหลังเขาจะส่องกระเทียนเนี้ยเทียนส่องหลัง แล้วก็เล่าเลยยอมแล้วก็ลงมือแล้วบอกผมผมขอบอกจำเลยครับผมผมขอบอกกรจำเลยครับอาจารย์ผมรู้ทิ้งนั่งสมาธิเลยไม่นอนนอนไม่ได้แต่เมื่อแต่พักเลยท่านบอกไม่กลัวนะแต่ใจเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้มันมีความรู้สึกแบบมันอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะแต่ถามว่ากลัวไหมไม่กลัวไม่คิดกลัวแบบจนสติแตกแต่มันอยู่ไม่ได้อ่ะเขาบอกอย่างนั้นเลยนะแล้วก็บอกผมผมขอบอกจำเลยครับผมผมขอบอกอาจารย์บอกว่าอยากจะรู้ขึ้นและตะโกนใส่หน้ามากๆเลยแต่ทาไม่ได้งั้นเป็นพระครับท่านเปิด กดท่านออกท่านการกดในในกุฏินะครับแล้วก็เดินออกไปเลยเดินออกไปไปนั่งกับพระรูปนั้นไปเคาะบอกท่านท่านผมผมขออยู่ที่รูปนั้นก็เปิดให้แนละ้วเข้าไปนั่งในกุฏิครับพอกำลังเล่าเล่าคนอยู่มิเสียงผมผมขอบอกจำเลยครั บ, บผมผมขอบอกจำเลยครับอ่าคนในสมุนลาลาลาปฐุกะโ ย, ยุปัจิติอายุอัปจิติยาวยาวยาวอยู่เยี้ยอี้คือสองท่านนั่งนั่งมองแรกกันแบบไม่ไหวแล้ว่อาจารย์บอกตอนนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้สัมผัสกับการ ก็หลอกก็ไม่ใช่แต่ว่าขอบุญก็ไม่เชิงแต่ว่าต้องการหลุดพ้นก็น่าจะใช่แต่มันน่ากลัวมากเพรพอที่ผ่านมาตอนท่านเป็นเมนนะท่านจะเห็นแบบพ๊กแจ๊กป๊กแจเห็นหนักหนักที่สุดก็คือโยมแม่ของท่านแต่ครั้งนี้คือครั้งที่ทําให้ท่านแบบอรู้ว่าสามารถสนทนากับสิ่งเหล่านี้ได้ออืและตอนเช้ามาก็เลยเล่าให้ฟังว่า เป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้ครับชาว่าก็เลยบอกสงสัยพุทธีทั้งกองต้องห้ามใครอยู่ต้องรื้อไม้ออกไปไว้ข้างหลังรูร้เลยแล้ก็รู้จริงๆรจ ร, ๆรอครับรอืชแต่ตั้งแต่วันนั้นแหละจนที่อาจารย์บอกออกจากวัดอาจารย์บอกถ้าใครไปทางแถบข้างหลังวัดตรงที่มีกองไม้นะบางคนเห็นมีพระนั่งยองๆ อ, อยู่ข้างบนแล้วก็เง็นรัตตนะส่วนเรื่องเสียงเนี่ยจะอยู่แถวประมาณหลังกุทธีเก่าก็จะเป็นบ่อน้ําเล็กๆออืที่เขาจัด เหมือนจากเมื่อก่อนจะเคยเป็นบอ่ออะไรสักอย่างนี้ก็คพูดอะไรอย่างเนี่ยแล้วมันจะเป็นน้ําขังขึ้นมา<ะ>อาจารย์บอกจะมีคนได้ยินเสียงว่าของปัญสมุทรานานาว่าทยายุประโยปัญจิติยาโยคืออยู่คนเดียวอยู่อย่างนั้นแหละแต่ไม่ได้มีการรับอีกฝ่ายหนึง<ะ>่งเป็นอย่างเงี้ยเลยรู้ว่าไม่ใช่คนอืมแต่ทุกวันนี้จะเป็นยังไงแล้วอาจารย์ก็หน้าตรงนั้นนะที่อาจารย์ล่าให้ผมฟังบอกอก็ไม่ได้ลับไปนาแล้วพอจับไปอีกก็ไปผับวัดนอกผับวัดนอกเสร็จแล้วก็ออกคุดงต่อ เง้นก็ประมาณนี้ครับอีณแมน่ากลัวจังเลยคุณคิงคือผมนึกภาพย้อนกลับไปในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับเป็นภาาของกุติที่ปลูกห่างๆกันวัดป่าวัดปฏิบัติสายปฏิบัติกันคืน แ, แน่นอนว่าโอ้โหเฮ้ยความเงียบความวังเวงทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันแบบมันให้หมดเลยนะแล้วเป็นเสียงสวดที่แบบโอ้โหแล้วคุณคิงทาเสียงสวดแบบน่ากลัว คือไม่ใช่เสียงสวดของของของพระที่เราคุ้นหูอ่ะแตเป็นเสียงสวดของพระที่มาอีกรูปแบบหนึง่งเสียงสวดของพระที่พยายามจะทําให้ตัวเองเนี่ยปรุงอาบัตให้ได้ใช่ครับน่ากลัวออเมื่าอาจารย์ผมเล่าครังว่ า, วาการอย่างผมเมื่อผมบวกมาผมก็รู้ว่าการการที่จะหลุดสังขารทิฏฐ์ต้องปฏิวัติประจำองา่างเดียวแค่แอันนี้นผมไม่ได้ไปโจมตีในะครนะแต่เราพูดถึงพระวินัยจริงๆแลย้ย ทุวันนี้พี่เขจะมีการวัดนั้นสิบวัน<อ>วัดนี้สิบห้าวันอนะไรเงี้ยความเป็นจริงนะครสมมุติว่าพี่แจ๊คทาทำฝังกระดิ่งเศษอภิษเพื่อนวันเนี้ยแล้วพี่แจ็คปิดไปเลยหนึ่งร้อยวัน<อ>แล้วพแจ็คไปบอกผมคพอผมไปบอกเจ้าว่านีการตั้งอ่าอาจารยคุกรรมกำเสร็จปุ๊บ<อ>บอกกำบอกอะไรเสร็จกําหนดเขตให้อยู่พี่แจ็คต้องอยู่หนึ่งร้อยวันเท่าที่ปิดมานะถึงจะหลุดครับอืู้นึกถึงภาพนะคือของ สมมุติว่าเราไปบวชเราไปอยู่ในกุฏิแล้วได้ยินเสียงสวดอยู่อย่างเนี้ยค อ, อรรมประการเลยครับค อ, บอรรมประการเลยครับโอ้โหเฮ้ยมันเฮ้ยโ อ, โยโอโย้คือเขาพยายามจะเขาพยายามจะพยายามจะโปรงอบัตให้ได้อ่ะเพื่อที่จะหลุดพ้นอะไรบางอย่างถูกไหมครั บ, รบใช่ครับเพราะว่าเขาท่านละสังขารไปแล้วคือแน่นอนว่าพอเล่สังขารไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้โปรงอบัตอ่ะยังไม่มีเพราะว่าพระรัตอะ ถูกป่ยังไม่มีสาทุกลับอ่ะเหมือนท่านก็ยังวนเวียนอยู่งั้นอ่ะพยายามจะทําให้ตัวเองหลุดพ้นจากจากจากบ่วงตรงเนี้ยซึ่งมบบโอ้โหโหน่ากลัวจังเลยอ่ะแล้วเมื่อกีระหว่างที่คุณเคี้ยนเหล้านะระหว่างที่เุณขมอะไรใครที่จะบวชเนี่ยคิดให้ดีก่อนนะว่าคุณจะบวชเนี่ยละเลยอย่างเช่นการจะคุยโทรศัพท์กับแฟนอย่างเงี้ยเพราะว่าจากคาปากําของผมเลยเนี่ยที่ผมมันเคยบวชมาเนี่ย พระที่อยู่นิ่งๆในสิ่งเนี่ยเหมันเราอยู่ในกรอ บ, ครบแค่เสียงผู้หญิงก็ทําว่าเราหวั่นไหวได้ออือเพราะฉะนั้นลดเว้นได้ย่งดีครับคือแน่นอนว่าการเป็นพระเนี่ยแน่นอนนะคือเป็นการตัดในเรื่องของทางโลกทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วไงใช่ครับแต่ใน<ช>ยุคนี้สมัยนี้คุณคิงกูผู้ฟังครับเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ยมันคือสิ่งล่อตาล่อใจชั้นดีสมัยก่อนเนี่ยผมว่าน้อยแทบจะไม่มีเลย คือการที่จะเข้าไปบวชเป็นพระสายปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรมาล่อตาล่อใจไม่มีโซเชียลไม่มีอินเทอร์เน็ตถูกไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวมันสามารถเข้าถึงเรื่องของโลกได้ทั้งหมดมันก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งที่คอยมามากระตุน้นมาขัดในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่กำลังปฏิบัติอยู่ เป็นสิ่งล่อตาล่อใจอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งสมัยเนี้ยคือถ้าทําได้นะถือว่าสุดยอดจริงๆ น, นะผมบอกรึไงนะพี่แจ๊คตอนที่ผมอยู่ที่วัดต้นสังกัดผมครับผมเองเนี่ยก็เคยเกือบสกเพราะเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องของทางบ้านเรื่องของอดีตแฟนเก่าที่เขาแบบพยายามมาไถ่บาเราครับแล้วเราแล้วเขาพยายามที่จะขอคืนดีซึ่งเราก็บอกเรื่องเนี้ยจะมาคุยไม่ได้ในตอนนี้แต่เขารู้มาทุกวันคือผมอยากจะบอกกับเขาว่า ไอ้มาเป็นกรรมนะแต่เราไม่สามารถจะพูดใส่เขาได้เดี๋ยวเขาจะแบบพ<อ>ี่จะมาพูดจาอะไย่งนี้ต้องมาแช่งให้เป็นกรรมเราไม่แช่งแต่เราเตืนแต่คนที่โมหะกิเลสต่าง ๆ, ๆต่างตาเนี่ยพูดเรื่องว่ามารใช้เขาเป็นเป็นเครื่องเนื่อยพี่แจ๊คเ<อ>ขาไม่รู้ตัวหรอกผู้หญิงอ่ะคืออยากจะบอกว่าทั้งหมดเลยนะสรุปโดยรวมทั้งหมดนะครับถ้ารู้ตัวว่าไม่พร้อมอย่าบวชเหมือนผม มีหลายคนถามว่้เ hey, มื่อไหร่พี่แจ็คจะบวชแม่แก็ถามนะแต่ผมก็พยายามจะบอกว่าผมยังไม่พร้อมคือถ้าผมบวชเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่ผมยังไม่พร้อมทั้งกายแล้วก็ใจที่สำคัญกายไม่เท่าไหร่ผมว่าใจสําคัญที่สุดแต่วันหนึ่งยังไงผมก็ต้องบวชผมจะบวชเมื่อผมพร้อมจริงๆพร้อมแล้วฮะที่จะสละละตัดละในช่วงระยะเวลาที่เราจะต้องบวชเนี่ยเราต้องตัดเรื่องพวกนี้ให้ได้แต่แต่มันยังไม่ได้อนะ่ะ เออผมก็เลยยังไม่บวชไม่อยากโกหกตัวเองบวชเพื่อให้แม่สบายใจบวชเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยเราบวชแล้วนะไม่อยากเป็นอย่างนั้นไงผมอยากบวชพร้อมผมพร้อมผมถึงจะบวชเพราะฉะนั้นเหมือนกันคนอื่นเหมือนกันว่าถ้าใครจะบวชต้องพร้อมจริงๆอย่าบวชเพียงเพื่อให้พ่อแม่สบายใจเออบวชให้ท่านหน่อยให้ท่านเห็นชายพระเหลืองหน่อยเฮ้ยผมว่าคิดผิดคิดผิดมันเหมือนมันเหมือนจะเป็นคําพูดที่ดีนะอบวชให้พ่อให้แม่แต่ ใจตัวเองยังไม่พร้อมถูกไหมไปสร้างกรรมให้ตัวเองอไปสร้างกรรมให้ตัวเองเบาๆถูกต้องนะฮะแล้วก็มาแ้ระหว่างที่คุณคิงเล่านะมันมีเสียงอะไรไม่รู้ดังตุง้มผมตกใจแล้วพีบันก็มนไม่มีนะไม่มีไม่ไ ม, ไ ม, ม่เสียงจะขังผมเลยเสียงมันมาจากห้องตึก<อ>เนี่ยมันรู้เสียงอะไรดังมากเสียงดังตุ้งอะ่ะเออผมก็อ๊อะไรก็ไม่รู้วแบบนี้ยพอคุณคิงมามีตลอดเลยเนี่ย ครับผมเองผมก็ไม่รู้วิจัเราไม่ได้ชักนำหรอกรแต่ถ้าเป็นความเชื่อส่วนตัวนะบางทีผมก็คิดว่าเราอาจจะทํากับเรื่องพวกเนี้ยเราชอบเราสงสาพอเราพูดถึงเนี้ยก็เหมือนกับอะไรต่างต่างที่อยูรอบๆก็อาจจะคุณคุณปฏิบัติทํำนะเราเอาจนบุญก็อาจจะเป็นไปได้เนแะง่ความเชื่อนะครับอือนะฮะก็อย่างที่ที่บอกคือทั้งหมดเลยอะ่ะฟังแล้วคุณผู้ฟังก็ต้องใช้ยุทยะพินิษฐ์แล้วก็วิจัยนัยน์คือสิ่งไหนดี ฟังแล้วเก็บเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่สิ่งไหนไม่ดีอ่ะผมว่าฟังแล้วอย่าไปทําตามมันปล่อยให้มันผ่านเลยไปคิดว่าเนี่ยคนอื่นเขา <c oughs> มีประสบการณ์ตรงนี้แล้วเราจะไปสร้างประสบการณ์เหมือนเขาทําไมถูกไหมในเมื่อมันมีตัว <c oughs> อย่างมันมีเรื่องราวมาให้เราได้คิดกันอยู่แล้วว่าเฮ้ย <c oughs> สิ่งเหล่านี้อันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้เอออันนี้ทําได้แต่บางคนอาจจะไม่รู้แยกแยะไม่ออกนี่ไม่รู้ระหว่างดีกับไม่ดีนะ <c oughs> อแล้วแบบนี้ก็เห็นัเยอะครัเรื่องของอาไม่ได้ว่านะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคก็มันเกิดขึ้นจริงๆเรื่องของของพระที่ที่ทําอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรนะะที่ลงโซเชียลไปบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะเยอะเยอะโอนะครับหุ้ยน่ากลัวต้องต้องพร้อมด้วยใช่ไหมหลายอย่างที่หลายย่างนะต้องศึกษาก่อนแหละเมคนที่เขาตั้งใจจรเนี่ยเขาจะไปถือเป็นพระขาวบออาทิตย์หนึงก็ดูดีอ่ะให้ได้ให้รู้ว่าอย่างน้อยๆเศรษฐีวัตดเนี้ย เนอย่าแว่งมือนะอย่าไปผิวปากอย่าไปร้องเพลงอย่าไปเดินทําแบบเราจะอยู่ข้างนอกเคยเดิ น, นรังเองข้างในต้องเดินกุมมือนะต้องรู้นะว่ามือต้องมรวมไม่ใช่ไปเดินเป็นพระแล้นุบข้าก็เดินมีท่าบาดแล้วแว่งมือไปมา่ะครับเป็นผมผมกาคิดนะก่อจะถ่ายบา่ายอย่างนี้บอกว่าเรามาการฟังเรื่องผีมันดีอย่างนึงคืออย่างน้อยเนี่ยฮะการฟังเรื่องราวเหล่าเนี้ยมันก็จะเป็นติ่งหนึ่งเล็กๆผมเชื่อนะผมว่าคนเรามีจิตสํานึกกันทุกคนเป็นติ่งหนึ่งเล็กๆที่คอย อระงับคอยชะลอในเรื่องของสิ่งที่เราอาจจะกําลังจะทําผิดแต่มันมีติ่งพวกเนี้ยมันติ่งขึ้นมาเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเราจะด่าพ่อแม่ตัวเองแต่เรากำลังข้าปากด่าแต่เรามึดถึงว่าเฮ้ยท่านเราด่าแล้วเราจะตกนรกเลยตายเป็นเปรต น, นี่มันบาปมหาเลยเนี่ยเนี่ยมันก็จะคอยชะลอเหมือนจะไปฆ่าใครตายถ้าคนมีจิตสํานึกมีความคิดอนะครับเฮ้ยไปทําเขากดกรรมมันมีติดคุกแน่นอน ไปฆ่าเขาตายเป็นบาปอกีกอะไรเรื่องพวกเนี้และหลายอย่างนะเรื่องเรื่องพวกเนี้ยมันสามารถที่จะเอามาใช้นะครับประกรอบในส่วนลึกในจิตใจของเราได้นี่คเรื่องพวกนี้เนาะคือถ้าฟังฟังให้เป็น น, นะไม่ใช่บางคนเอาฟังเอาสนุกก็ได้เหมือนกันแต่บางสิ่งบางอย่างมันมีอะไรที่มันแอบแฝงอยู่ในเรื่องเล่าของแต่ละเรื่องอยู่แล้วเรื่องพวกนี้โอ้ฟังแล้วได้ข้อคิดก็โอเคขอบคุณมากถือว่าคนฟังเป็น นะอย่างน้อยเลยก็เรื่องการยึดติดด้วยเด่นเป็นใหญ่จะเป็นเรื่องที่ยึดติดกับสิ่งที่ยังจะทำอยู่คผมรู้แล้วว่ามันยากไม่ใช่ว่าผมเก่งแล้วมาสอนผมไม่ได้เก่งเะยผมก็ยังปฏิบัติทุกวันและยังพยายามี่จะทำอยู่แต่มันก็เป็นสิ่งเตือนใจเราว่าเฮ้ยถ้ายึดติดนะถ้าถ้าเป็นคนคนที่เชื่อนะยึดติดนะเดี๋ยวตายไปคุณต้องมาลังเนี่มาเฝ้ารงเรียนอยู่กับไอสิ่งเหล่านี้รถเอ่ย คนรักเอ่ยอย่างนั้นนะครับถูกต้องจะถึงเปลียนใจเราได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างคือสติสําคัญที่สุดนะฮะการใช้ชีวิตทุกวันนี้สติสําคัญที่สุดครับเราเห็นคนที่สติขาดไม่มีสติพังมาหลายคนแล้ว<ช> <laughs> จากข่าวที่เราดูนะครับแน่ก็ต้องมีสติเนาะนะครั บ, รบอ่ะ <ผม S 1> ได้ครับคุณคิงนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณคิงขอบคุณมากมากวันนี้มาแบบสร้างความขนหัวลุกให้ผมอีกแล้วคุณผู้ฟังหลายคนฟังแล้วขนหัวลุกมากนะ่ากลัวมากเรื่องนี้ ขอบคุณมากครับได้ครับคุณคิงนะก็ให้หายป่วยเร็วๆรักษาสุขภาพมาคุณคิงนะเช่นเดียวกันรักษาสุขภาพนะครับพี่แจคสับดาหน้าเจอกันคุณคิงถ้าว่างครับผมได้ครับคุณคิงขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่แจ๊คผมนะครับสวัสดีครับ